ขอความสุขความเจริญทุงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทายาสีปทุมคงนำเสนอประสูตรในสังยุตติกายในช่วงชเรว่าเทวตาสังยุตคือเป็นคำกราบทูลถามของเทวดาเป็นว่าประสูตรในชุดนี้ แม้ก็เป็นวิถีชีวิตของสังคมซึ่งร่วมสมัยอยู่ตลอดอันเป็นลักษณะสัจธรรมของธรรมะคือหมายความว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วจะปรากฏที่ใดก็ตามก็จะมีลักษณะที่ร่วมสมัยเพราะความเป็นอาการิกะคือความไม่ขึ้นอยู่ด้วยการเวลาของ ทเทวดามากราบทูลถามพระพุทธเจ้ า, าก็เป็นลักษณะใล้ๆกับเสนอความคิดเห็นเพื่อเขาฟังว่าทิต่านมีความคิดเห็นอย่างเี้ยพระพุทธเจ้ามีความคิดเห็นยังไงทรงอนุโมทนาหรือว่าทรงปฏิเสธ หรือจะต้องมีการเพิ่มเติมรเราจะพบว่าปัญหาในลักษณะอย่างเงี้ยมันก็มีมาตลอดวิแนวการถามปัญหาของคนยุคนั้นเขาเรียกว่ามันเป็นปัญหาของบัณฑิตคือเป็นการสื่อสารระหว่างบัณฑิตกับบัณฑิตมันพูด ก, กันง่ายประการแรกคือต้องการทราบข้อเท็จจริงในเรื่องหลนั้น เจตจโนงของผู้ถามมีความรู้สึกศรัทธาต่อความรู้ความสามารถของผู้ตอบคือมีความเชื่อว่าท่านผู้นี้สามารถแก้ข้อกังใจสงสัยของตนเองได้เมื่อกลับนอนเล็กๆกับคนป่วยไปหาหมอโดยมีความเชื่อมั่นว่าหมอจะรักษาโรคให้ตัวเองหายจากโรคได้นั่นเอง แนวประการที่สองนั้ น, นปเป็นการเสนอความคิดเห็นของตัวเองเพื่อเทียบเคียงดูว่าที่ตัวเองมีความคิดเห็นอย่างเงี้ยปุถุเจ้าทรงมีความเห็นยังไงแนวประการที่สามก็คือ เป็นแนวที่ต้องการถามเพื่อให้รับรองหรือปฏิเสธอยางนั้นนะการรับรองหรือปฏิเสธสิ่งที่ตัวเองนำเสนอในประการที่สเป็นการถามเพื่อจะตอบเองส่วนใหญ่ก็เป็นคำถามของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์ของผู้ใหญ่ ที่ถามผู้น้อยเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้น้อยให้เกิดความสนใจในสิ่งที่ถามถ้าเธอตอบได้ก็ดีไปแต่ตามปกติแล้วก็ไม่เน้นให้ตอบหรอกเกิดเน้นให้สนใจอย่างเช่นพระพุทธเจ้ารับสั่งแก่พระพันโยคีตอนที่ทรงแสดงอริยมรรคแประการเนี่ย ก็รับสั่งถามข้อความสั้นๆหรือยะ ด, ดีดังนะคืออะไรบ้างอริยมรรคมีแปดประการนี่คืออะไรบ้า ง, าออางแล้วก็ท่งเฉลยเองหรือบทสังคคุณที่เราสวดมีข้อหนึ่งที่เรียกว่ายะ ด, ดีดังยะตาเรียคือหมายความว่าท่านเตปพัตที่ปฏิบัติได้อย่างเนี้ยที่เป็นพระสงฆ์สาวกของพระเจาเนี่ย คือใครแล้วท่านก็เฉลยเลยนะฮะเฉลยว่าจตาริปุริสยุกกาณิได้แก่คู่แห่งบุรุษทั้งสี่คู่คือพระโสดาปฏิมรสดาปฏิผลสักกะิกามีมรักษักกะตกคามีผลนาคามีมร์ามมมานาคามีผลรหัตมร์กราหัตผลอัถาบริสุุกลาพอแยกย่อยออกไปก็เป็น8ดองค์ แล้วก็ท่านก็นบอกว่าเอสาภควาโตสาวกสังโคนนี้แหละคือสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะนั้นคำถามในแนวเนี้ยมันมีลักษณะเห็นชัดเจนว่าท่านต้องการเทียบเคียงเราเป็นลักษณะความเชื่อในกฎของกรรมกับกฎของสังสารวัตที่ชัดเจนนะฮะแต่ว่า อย่างแต่วเทวดาตวนี้ยังไม่ได้พูดไปถึงนิพพานคือพูดระดับกรรมกับเรื่องสังสารวัฏท่นก็บอกว่าชีวิตคืออายุมีประมาณน้อยแล้วก็ถูกต้อนไปเรื่อยเมื่อบุคคลถูกชะาต้อนเข้าไปแล้วก็ย่อไม่มีผู้ป้องกันบุคคลเมื่อเห็นภัยในมรณะคือความตายเนี่ย พึงทำบุญทั้งหลายที่นำความสุขมาให้เป็นข้อเสนอแนะะ่เป็นการพูดถึงสภาวธรรมของชีวิตก็เรารู้สึกว่าเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาสภาวธรรมที่เป็นปัญหาใหญ่เห็นไหมความมาอยู่มากับเขาตั้งแต่เกิดนะตั้งแต่ถือไปสนสนทิในคันของมารดาเราก็อยู่กับเขามาตลอด แต่เราก็ยอมรับเขาไม่ได้เพราะเราถือไปสนที่ปั๊บเนี่ยเราก็เลื่อนไหลเข้าสู่ความแก่ไปโดยลำดับเพียงแต่ว่าในช่วงนั้นเราเรียกว่าจเจริญวัยนคะันกี่เดือนแล้วกี่เดือนแล้วกี่เดือนแล้วกี่เดือนแล้วแต่ที่จริงเด็กข้างในเนี่ยมันก็โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเรื่อย ก็แสดงว่าในแง่ของความจริงก็คือชีวิตได้ถูกขับเคลื่อนเข้าไปสู่ความแก่อยู่ทุกคนนะและ้วในแง่ของความเป็นจริงที่แท้จริงเหนือขึ้นไปกว่านั้นก็คือว่าชีวิตเป็นอันมากที่ถือไปสนธิแล้วเนี่ยแล้วก็ตายไปในขันแม่เนี่ยจานวนมหาศาลบางครั้งแม่รู้บางครั้งแม่ก็ไม่รู้ แต่ลูกก็ตายไปแล้วทีนี้พอคลอดออกมาจากคันเราก็พบว่าเด็กแกตายอยู่ทุกวัยกําหน ด, ดลงไปไม่ได้เลยว่าตายเมื่อไรเพราะแต่ยิงแกตายอยู่ทุกขณะสมมติว่าเราเอาตัวเลขจากโรงพยาบาลสักเดือนหนึ่งโรงพยาบาลนั้นนั้นมีคนตายกี่คนและแต่ละคนอายุเท่าไหร่ เราอาจจะเห็นว่าอายุมันต่อกันเป็นนาทีเป็นชั่วโมงได้มีการพูดถึงประชากรอเมริกาในปัจจุบันเพิ่มพ่อนข้างแรงนะฮะสิเ็ดนาทีิบวินาทีเนะี่ยเพิ่มสองคนอเมริกาเขาผ่านเลขประชากรสองรอล้านเข้าไปเมื่อไม่กี่ปีมานี้ เวล น, นี้ก็มีพวกอพยพในสงครามมิโดจีนนี่ก็เยอะอพยพมาจากที่ต่างๆเยอะจากเม็กซิโกก็เยอะก็สรุปว่ารอบทิศทางอาสากรเขาก็เพิ่มขึ้นมากมายแต่บางทีก็พูดภาษากันไม่รู้เรื่องก็มีไม่น้อยแต่ก็พูดถึงกันเพิ่มเขาไม่ได้พูดตัดด้งการลดว่าที่จริงคนก็ตายมาก นั่นคือชีวิตไม่มีใครสามารถต้านทานได้มันเป็นการแสดงความจริงแต่เป็นความจริงระดับโลกิธธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสะท้อนภาพลักษณ์ของชีวิตที่เกิดแก่เจ็บตายแล้วก็ประสบกับความพระพราศุลเสียตำหลักที่พระเจ้าทรงสอนให้พิจารณาที่เราเรียกว่าอภินิหารปัจจเวคณะ ให้พิจารณาบ่อยๆนึก บ, บ่อยๆคิดไว้ บ, บ่อยๆทำไว้ในใจให้จนใจยอมรับความจริงว่าชีวิตมีความเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดา ส, สอนแลนพิจารณาถึงสภาวะตรงนั้นก็สีสีข้อไม่ได้พ<บ>ูดถงการเกิดนะเพราะเราเกิดมาแล้ว แต่บอกว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่รุ่งพ้นความแก่ไปได้มีความเจ็บคขยเป็นธรรมดาไม่รุ่งพ้นความเจ็บไายไปได้มีความตายเป็นธรรมดาไม่รุ่งพ้นความตายไปได้มีการพลาดพลาดสูญเสียเป็นธรรมดาไม่สามารถรุ่งพ้นจากการพลาดพลาดสูญเสียไปได้เส้นประจัยน้อชีวิตนั้นมันแก่อยู่ทุกขณะเขาเรียกว่าและวที่จริงก็ตายอยู่ทุกขณะโด้วยซ้ำไปนะ เขาเรียกว่าคณิกะมรณะเป็นแก่ในช่วงแรกคือจากปฏิสนธิจนถึงระดับค่อนไปทางกลางคนนิดหน่อยเขาเรียกว่าแก่แก่ปุกปิดสำนวนบาลีท่านเรียกว่าปฏิจัณชราเราก็ต้องการนะวัยตรงนี้เราต้องการเป็นวัยที่จเจริญ เป็นวัยที่เบิกบานเชื่อมชื่นเฉลิมฉลองสนุกสนานบันเทิงรื่นเรองใจกันต่อจากนั้นความแก่เริ่มปรากฏตัวออกมาชัดเจนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆพอจะถึงจุดเด้งนี้เราก็เห็นไนดะ้อย่างชัดเจนอย่างอาตมาปีนี้เจสิบสามย่าง กิที่จริงเราก็แข็งแรงกว่าคนรุ่นราชาเดียกันเยอะหลายคนแต่ว่าเราก็สูงส่งกว่าคนหลายคนเหมือนกันแล้วก็เห็นได้อย่างชัดนะฮะว่ามีเป็นนันมากที่เราเสื่อมถอยลงไปซึ่งเกิเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าความแก่มันปรากฏชัดเจนมากเพียงแต่ว่าการแพทย์ปัจจุบันมันดีขึ้นดนนั่นเอง แต่ว่าการแพทย์ไม่ดีคนก็คงจะอยู่ได้ยากเหมือนกันก็ที่น่าน่าคิดมากนะคือว่าคนแก่ที่จริงเหมือนกับรอเรือเ ก, ก่ารถเก่าแต่ว่าค่าซ่อมบำรุงมันแพงการดูแลการรักษาพยาบาลเนี่ยมันแพง แต่โอกาสที่จะใช้อชีวิตซึ่งแก่อยู่เนี้ยให้มันเป็นประโยชน์เนี่ยมันทําได้น้อยแต่ว่าเป็นเรื่องที่ต้องทำแต่นั่นเองคนเจ็บไข้มันก็มีลักษณะอย่างนี้นคือเราก็เจ็บไข่อยู่ตลอดอย่างที่เคยบอกว่าเราไม่เคยแก้เรื่องโรคสิบโรคได้เราทำได้แค่บรรเทา ก็คือหนาวร้อนหิวกระหายปวดอุจระปวดปัสสาวะง่วงนอนแกเจ็บตายเราไม่สามารถาแก้อะไรก็ได้เราทำได้แค่บรรเทาวันใดนอนน้อยไปหน่อยแกก็ง่วงล้วทำอะไรก็ไม่ได้แล้วนอกจากว่าต้องพักเสหน่อย ซึ่งตอนนุมน่มก็อยู่ได้นะพอตอนแกก็จริงๆก็เอามาอยู่เหมือนกันซึ่งเราก็ต้องยอมจำนวนเขาแล้วก็ความตายเนี่ยเป็นการแตกทำลายของชีวิตตินทรีมีอยู่ทุกขณะชีวิตถ้าเราเรียงเต็มที่เนี่ยเราตายอยู่สี่ประเภทนะประเภทแรกก็เรียกนนก า, านิกะมรณะคือตายอยู่ทุกขณะ ส่วนต่างๆเ้นต่างๆได้ตายไปประเภทที่สองเรียกว่าอกาละมรณนะ <Legend> <S 1> <S 1> <S คือมันตายในเวลาที่ไม่น่าตาย <ishing> หรือยังไม่ควรจะตายมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุเพราะไปคข้าผาเกี่ยวข้องกับคนบางกลุ่มไปนั่งยานภานะที่คนเมาเหล้าหรือประมาท หรือว่าเกิดอุบัติเหตุอย่างอื่นคือสรุปว่าจริงๆแล้วอายุยังไม่หมดหรอกแต่แต่ไงของกรรมก็ถือว่ามีกรรมมาตัดรอนก็ทาให้อายุมันขาดชีวิตก็ขาดอีกประการหนึ่งเป็นการรับมรณนะคือยังไงก็ต้องตายตายแน่แนๆคือจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ อายุมันหมดบุญที่จะอยู่เนี่ยมันหมดเรียกอายุขาดบุญก็ขาดบุญที่ให้มีชีวิตอยู่มันขาดนะแต่ว่าบุญที่จะนําไปสู่สังสารวัตก็ยังมีแต่ในแง่ความจริงตรงนี้ท่านเรียกว่าสมมติมรณะคือเราสมมติว่าตายนะเพราะว่ามันตายปั๊บเกิดปุ๊บเลยเพียงแต่ ว, ว่าเทวดาบอกเนี่ย คือต้องทำบุญที่นำสุขมาให้ที่ตายจริงๆนะฮเรียกอุปเช ธ, ธรรมรณะคือตายจริงเลยมันเป็นการดับเหตุปัจจัยให้เกิดคือดับอวิชชาดับสังขารก็ดับปัญญาดับนามรูปตักฎของปััยการสายดับนะัะ บนชีวิตเรายังไงอย่างไงเราก็ยังไม่ตายจริงเป็นสมมติมรณนะมันทำให้ถ้ า, ถาเราเข้าใจความจริงตรงนี้ได้แล้วก็มั่นใจในบุญกุศลที่เราได้กระทำไว้การตายมันก็เกินเกินกลับบ้านเก่าเป็นการย้ายตัวเองจากกระตอบเล็กๆ เ, เนี่ยไปอยู่ที่ปราสาท ต, ตายนเนี่ยไปบังเกิดในสุขติที่จริงเข้าไม่จะ่เรื่องเสียหายอะไรคือยังนึกว่าเ็เห็นญาติโยมบางคนวันก่อนก็นกไปเป็นเจ้าภาพงานศพของน้องสะพายพ่อก็ตายเราก็ตกใจนะฮะรักษาโรงพยาบาลเอกชนก่อนจะตายเนี่ยก็หมดไปหลายแสน แล้วทางทางันแน่ใจว่าท่านตายแน่นะแต่ก็สายระยงระยางอะไร อ, อะไรเยอะแต่ผลทาท้ายก็ตายก็ถามาเห็นว่าชีวิตเนี่ยมันมีความตายที่แฝงเร้นอยู่ในธรรมุเทศสี่ประการเนี่ยท่านแสดงในลักษณะอย่างเดียวกับที่เทวดาพูดนี่นะ โลกคือหมูสัตว์อันชารานำเข้าไปใกล้ไม่ยั่งยืนหมายความเราเดินเข้าสู่ความชราตลอดแล้วในขณะที่เราชราเนี่ยความแก่กับความตายก็แฝงอยู่แล้วพร้อมจะแสดงตัวเมื่อไรที่ไหนเพราะเหตุไรอย่างไรโดยวิธีใดนไม่มีคำตอบเพียงแต่ว่าหนึ่งเราตายแน่ โรคคือหมูสัตว์ไม่มีผู้ป้องกันอย่างที่เทวดาบอกเนี่ยไม่มีผู้ป้องกันขอขย่าแก่นะ้าเขออาเจ็บนะออ้าเขาจะตายนะออย้าเขาจพลัดพลากนะออ้าเขาจะสูญเสียนะ้าเขออาตายแล้วไปบังเกิดในสวรรค์น้าได้แต่ต่างมันปั้งความปรารถนาได้เยอะแต่ว่าไม่มีใครช่วยเลยเพราะอะไรเพราะโลกมันไม่เป็นใหญ่เฉพาะตัวเอง คือเราคิดเราใหญ่เราคิดเราใหญ่เราโตเร า, งงาเราอย่างนั้นเราอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามาอย่างที่เรามาเราก็ไปอย่างที่เราไปเรามาด้วยบุญด้วยบาปเราก็กลับไปด้วยบุญด้วยบาปผลสมบัติตัวจริงๆในสังสารวัฏที่เป็นสะเบียงเนี่ยที่สะเบียงเดินทาง ที่พระเจ้าทรงแสดงว่าสถัธาบันติปาเถอยังเดี๋ยถ้าทารวปรวมไว้ซึ่งสเสบียงแต่ในที่นี้เน้นไปที่กุศลนะครับคือนำเราไปสู่สังสารวัตรที่ประนีตมันก็ไม่ถึงกันนิพพานแต่วันประนีตขึ้นพระเทวดาเส น, เนอในการตกแต่งภพชาติที่ประนีตขึ้นท่านบอกว่า พ้าเราไม่เห็นภัยต่อมรณะที่มันรออยู่ตรงไหนก็ไม่รู้วันดีที่สุดคืออย่าประมาทที่พระเจ้ารทรงแสดงง่ายๆว่าไม่ประมาทในบุญญากริยาทั้งหลายคือต้องพยายามทำบุญให้มากไว้ความพร้อมตายก็คือตายะนะอนิยายอะไรก็ความตาย แต่ปัญหาสําคัญว่าอย่นงทเคยบอกว่าวิถีชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันทัดเรียกภาษาบาลีเขาเรียกว่าทุกขโตกสุกโตโดยทางเดินก็นคือส er ุจริตกับท er ุจริตทุจริตกับสุจริตแล้วก็จุดหมายปลายทางในสังสารวัฏยังคือสุกติกับทุกติมันเป็นกระแสธรรมคือกระแสของบุญหรือกระแสของบาป เราเดินทางไปบนเส้นทางสายเนี้ยตอนนี้มากำลังทาหนังสือสามสีเออ่ 3, เล่มต่อกันไปเลยก็เรื่องหนึ่งคือเรื่องไตรร่มพระโพธิญาณมันเป็นแนวการนำไปศึกษาเอาเรื่องออพุทธวันิเป็นเมนเป็นทางเดินนะฮะเป็นทางเดินไป แต่ว่าเป็นการพูดในแนวชี้นกชมไม้ไปเรื่อยเจออะไรเป็นธรรมะเราพูดไปเรื่อยซึ่งเราก็ดูจากพุทธลีลานะฮะคือดูจากพระพุทธเจ้าเวลาท่านเสด็จไปกับพระสงฆ์เนี่ยเจออะไรท่านเอามาสอนได้ตลอดมิจเจ้าสอนได้ตลอด ใบไม้ใบหนึ่งก so ็ได้นะผลมะม่วงผลหนึ่งก็ได้ก้อนเมฆก็ได้ฟองน้ำก็ได้ตอมน้ำก็ได้พยับแดดก็ได้หมอกก็ได้ฝนก็ได้เอามาสอนได้ตลอดจะยาเวลาเลยคือพอเราไปเข้าตรงนี้มันมันรู้สึกซึ้งในพระสัมโพธิญาณน่ก็ทำเล่มแรกอย่างเดินไปแค่ทานบารมีด้านั้นเอง คิดว่าจะทำเล่มหนึ่งประมาณสักสามร้อยหน้านะฮะขนาดเบามือหน่อยก็พยายามทำไปเรื่อยๆแต่ต้นฉบับเวลานี้มีอยู่แล้วเทะ่าะไหร่อ่ะสามร้อยกว่าร้อยกว่าก็เยอะนะสามร้อยกว่ามันมันเป็นการพูดใส่เทปไปก่อน ก็3 0สามร้อยกว่ามวนก็สร้อยเรียกว่าส0มร้อยามร้อยกว่ากิจามร้อยกว่าชั่วโมงนะนะแต่เรื่องหนึ่งก็คือจักใจสู่ใจอย่างที่เคยทำไวต้ตอนนี้ก็มันคิดใหม่คือจะเอาสังเวณนในฐานไว้หมวดหนึ่งแล้วก็ธรรมะไว้หมวดหนึ่งแล้วก็ประยาไว้หมวดหนึ่งซึ่งอาจจะแยกเล่ม เลข่องยังหนึ่งก็คือศาสสืบสา ร, สารพุทธศาสตร์ต่เล่นนะฮะกำลังทำไปเรื่อย ก, ก็ถ้าเรื่องไม่แทรกที่จริงก็ ก, ก็ก็ดีนะจะทาให้เราได้ศึกษาค้นคว้าไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในการนำเสนอของเทวเทวดาเนี่ยมันก็ถูกต้องระดับโลกียะ มันบอกว่าเราก็ตายแน่เนี่ยทำไมไม่ทำบุญทำไมทำบาปทำไมนี่คือปัญหาที่เราต้องตอบนะี่ยันก่อนมีคนนำเอกสารมาให้อ่านเป็นเอกสารที่เขาซีลอกจากหนังสือพิมพ์กล่าวเรื่องสมเด็จพระสังฆราชเรื่องพูดบัตรหน้าที่สังฆราช เราก็นึกว่าเอออายุเขาก็ขนาดนี้แล้วนะไม่กี่วันก็จะตายแล้วทําไมต้องโกหกเยอะเหลือเกินล่ะคือคนเราถ้าโกหกแล้วเนี่ยมันไม่มีบาปอะไรที่คนเหล่านี้ทําไม่ได้แต่ว่าปัญหาว่าทําไปแล้วมันได้อะไรอะในสังคมก็ปนป่วนเกิดความทะเลาะเกิดความขัดแย้งเกิดความแตกแยกและเสร็จแล้วเนี่ยไม่เกินสิบห้าปีเนี่ยคนที่ปนป่วนนี้มันตายหมด มันเสีดยาดายเศบรรยากาศของประเทศชาติบรร้านเมือง mm hmm. ก็กรรมของสัตว์โลก mm hmm. คือเราตั้งปัญหาว่าทำทำไมอ่ะอายุแกขนาดนี้ท ำ, ท ำ, ท ำ, ท ำ, ทำไมทำทำไมทำไมไม่ทำบุญละ่ะ mm hmm. ที่นำความสุขมาให้คือประกัรสาคัญท่านทวงลองสังเกตระวันจันเนี่ยจะถามในแนวตรงนี้มาก เราไม่ค่อยพบปัญหาที่ค่อนข้างลึกซึ้งซึ่งว่าที่จริงมันก็เหมาะสมสมรัตสมบัประการวิทยุประถามปัญหาลึกซึ้งนี่ต้องอธิบายยาวแล้วก็บังเลือกมันอธิบายยากเช่นว่าพูดถึงถามถึงปฏิจจสมบาทสายเกิดสายดับอะไรอะไรไตรวัดอะไ ร, ะไ ร, ะไรนี่มันมันพูดยากนะ มันต้องเขียนที่กระดานต้องบัญญายต้องซักถามอะไรเยอะ ค, อ ค, อคือเรียกว่าทำไม่ได้ถ้าจะตอบสั้นๆเนี่ยมันตอบไม่ได้้วตอบก็ไม่เข้าใจก็เหมือนกับไปขับไลยคนฟังคนวังบอกฟังไม่รู้เรื่องแกก็ไม่เปิดฟังบปัญหานี่มันจะหนักไปเรื่องบุญเรื่องบาปเยอะ คือต้องจับประเด็นนั้นได้อย่างหนึ่งว่าบุญเนี่ยคิดก็ได้ทําก็ได้พูดก็ได้แต่ตัวบุญนี่มันเกิดที่จิตนะไม่ได้เกิดที่กายไม่ได้เกิดที่วาจามันเกิดที่จิตเราเราทําได้ตลอดอะเราเห็นใครเราอย่ากโกรธจะเกลียดเขาก็พอแล้วได้บุญอย่างน้อยก็อเบีขานะ มองสิ่งมีชีวิตทั้งหลายด้วยความเมตตามองคนประสบภัยประสบอันตรายต่างๆเนี่ยด้วยการุณาอย่างเนี้ยพี่น้องเราตั้งแต่นครสวตั้งแต่นครสวรรค์ลงมานะที่จริงมันเพื่อกอดมาอยู่ตางข้างเหนือกันไปวันนี้ก็ลงมาแถวอยุธยาเราก็อยากจะช่วยเนาะเติมเรื่องใหญ่ไรเงี้ย พระตอนนี้สุนส่งเสริมพระพุทธศาสนาตัดสินใจไปไปช่วยเท่าที่เราช่วยได้แต่ในสุดเขาก็เปลี่ยนเป็นเรือเอาไปแจกจังหวัดละยี่สิบ้าลำไปเมื่อวันที่ยี่สิบตุลาคมเนี่ยไปแจกมาจบที่จังหวัดรปฐรุมธา น, นี แต่จะรู้ว่าเป็นปนัญหาหน้าช่วยเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่แก้ปัญหาเข้าถึงสมุททยนี่นะก็ตามล้างตามเช็ดกันอยู่อย่างเงี้ยมันแก้ไม่ตกหรอกคือเราเป็นชาวพุทธเนี่ยมันต้องมองให้เห็นนำโครงสร้างอริยสัตว์แล้วต้องชัดเจนในสภาพปัญหาแล้วก็สาวให้ถึงตัวสมุททยจริงๆว่ามันคืออะไร พรที่ฟังที่พูดกันเนี่ยยังไม่เจอสมุทัยจริงมันเป็นการแก้ปัญหาในลักษณาเเ่าแปลกันทีนี้ถ้าเรามองเนี่ยคือเราเห็นว่าส่วนหนึ่งมันจริงก็เป็นผลบาปนะะผลบาปที่มนุษย์ได้ช่วยกันสร้างขึ้นเอาขนาดสามอย่างนียุ่งนะ การตัดไม้ทำลายป่าต้นน้ำลำธารการปลูกอาคารบ้านเรือนรุกล้ำริมฝั่งแม่น้ำแล้วก็ทิ้งอะไรต่างๆลงไปในลำน้ำซึ่งทำให้ตื้นเขินน้ำมากที่รองรับมันมันแคบแต่ตื้นนี่มันไม่หล้นฝั่งก็ไม่รู้จะไปไหนแหละที่จึงเป็นความคิดธรรมชาติมากๆเล คือสรุปป no no no ัญหาพวกเนี้ยมันไม่ต้องเปิดตํานาเลยนะฮะไม่ต้องเปิดตำนาเลยไม่ต้องอ่านตํานาของใครทั้งนั้นมันเป็นกฎธรรมชาติธรรมดาสุดๆเลยที่มนุษย์ขุดขุดหลุมขึ้นสักหลุมเนี่ยก็เทน้ําลงไปนะแล้วมันคิดอะไรต่อได้เยอะเลยสมมุติว่าน้ํามันล้นเราก็ทําเป็นรางให้ไหลออก นมันก็ไม่ล้นล้นลนที่หลุมที่เราขุดพอน้ำมันลดลงไปมากเราก็บิดที่เป็นร่องน้ำแล้วก็รักษาในหลุมเอาไว้เป็นต้นเนี่ยนะคือคือีจริงเรื่องมันไม่ใช่สลับซับซ้อนเพราะนั้นคำว่าบุญนี้ที่จริงมันเกิดจากความคิดที่มีเหตุมีผล ชำระล้างใหญ่ๆเนี่ยคือชำระล้างความรุนแรงของราคะของโลภะของโทสะของโมหะอย่างอื่นเม่อตอนนับอะมันเยอะไปกี่เลทแต่ว่ารากเง้าเขาอยู่ตรงนี้ราก ง, งาใหญ่จริงๆก็คือมาจากกาวิชาหมายความมาถ้าเราลดความเข้มข้นกาวิชาลงไปได้เนี่ย มันก็เป็นการลดราคาลดโลภะลดโทสะลดโมหะก็เป็นเรื่องที่พูดกันแล้วพูดกันอีกนะฮะแต่ว่ากระแสสังคมที่มีอยู่เวลานี้ทำยากหมดเราถ้ากาดความรวมแรงรวมใจกันเนี่ยอะไรก็จะแก้ยากคือคนภายในชาติเนี่ยมันต้องมีความสำนึกชาติ ทาึกชาติก็คือบุญอย่างหนึ่งฮะมันเป็นความควกนึกกระตันอยู่ต่อแผ่นดินเราแสดงง่ายชัดเจนว่าชาติเองอยู่ได้โดยไม่ต้องมีเราแต่เราอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีชาติเราอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีพ่อแม่เราอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีครอบครัวไม่มีตระกูลวงไม่มีสังคมไม่มีการศึกษาไม่มีอะไรแต่แรงต่างที่มันมีเนี่ยพังบทเนี่ยก็ขัดเราก็อยู่ได้แต่เราขาดเขาเราไปไม่รอด เพราะในสมนึกตรงนี้มันทำยังไงจะคิดได้จะคิดว่าเราเนี่ยไม่ใช่เป็นเจ้าของแผ่นดินนี้แต่เราเป็นผู้อาศัยแผ่นดินนี้เราต้องไม่คิดครอบครองอะไรมากเกินไปแต่ว่าเราสนองคุณแผ่นดินให้มากเพะถึงเราครอบครองเราก็ไม่ได้ครอบครองปรเดี๋ยวเราก็ตายพราการทำบุญที่นําสุขมาให้นะ่นมันคือประเด็น ประเด็นหนึ่งที่ทำให้คนเนี่ยอยู่ด้วยความไม่ประมาทแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเน้นว่าทำกับพระทำกายว่าจาให้มันสะอาดทำใจมันสงบทำปัญญาให้สว่างสวยอยู่ในโลกอยู่ในสังคมด้วยความคิดมีเหตุมีผลคราวๆสื่อสารต่างๆ เราจะเห็นว่าข่าวเวลาเนี้ยมันตกขอบสุดๆเลยก่อนจะมีการฏิรูปนิดดาไม่เลือกหน้าใครหน้าอิฐหน้าพรมเลยเวลานี้เชียร์ซึ่งเหมือนกับเทวดาจุติมาจากสงสวรรค์เลยอ่านไม่ได้ทั้งสองยุคไวิธีดีที่สุดก็คือไม่อ่านหนังสือพิมพ์ไม่ฟังวิทยุไม่ดูโทรทัศน์เว้นไว้แต่รายการที่เป็นสารคดีต่างๆ เป็นวิชาการถ้าคุ้มค่าเราก็ฟังไงนะฮะถ้าไม่คุ้มค่าก็ไม่จะเป็นนหะนังสือภาษาไบิบิกเยอะทีนี้เราจะเห็นว่าตรงนี้พระพุทธเจ้าทรงเห็นชอบหมดทุกประเด็นรัั่งเหมือนกันนะฮะว่าชีวิตคืออายุมีประมาณน้อยถูกต้อนไปเรื่อย เมื่อบุคคลถูกชะตาตอนเข้าไปแล้วย่อมไม่มีผู้ป้องกันอันนี้คือตรงในทุกประเด็นนะเมื่อเห็นไัยนี้ในมรณะหมายความว่าภัยที่เกิดขึ้นจากความตายนะเกิดเกิดแก่จะตายเกิดแก่จะตายเกิดแก่จะตายมันก็หมุนกันอยู่อย่างเงี้ยเมื่อไรจะเลิกสักทีก็ไม่รู้ทีนี้ถ้าเราทําบุญเนี่ยมันก็ใช่ มันพชาติรประนีเข็นะแต่ว่าบุญมันนำไปสู่การเกิดที่ประณียัยงไงก็คือเกิดเมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเร็วช้าเป็นรายละเอียดเราจะเกิดเป็นเทวดาสวรรค์ชั้นภพต่างต่างนะอย่างสมมติว่าอะไรล่ะบริณีมิตรวสอดีเนี่ยโลกมนุษย์มันผ่านไปพันแปดร้อปีเนี่ย เขาเพิ่งผ่าในวันหนึ่งก็คือหนึ่งแต่ว่าในสุขก็จุตินะฮะพรหมก็จุ ต, ติเทียบอายุโลกเราเทียบไม่ได้ทำไปแต่ว่าในสุขก็จุติเมื่อจุติมันก็เราก็ไม่พ้นต่อชาติภัยเจลาภัยนะพยาธิภัยมรณะภัยเราไม่พ้นพ้นคําสอนพระเจ้า ต, ตรงนี้จึงมุ่งไปตัด ตัวรากงาวของปัญหาทั้งปวงเพื่อยุติเรื่องทั้งหมดที่ว่าเนี่ยหมายความทั้งหมดมันมาจากเราเกิดอ่ะถ้าเราเกิดมาเราก็ไม่มีชีวิตเมื่อไม่มีชีวิตก็จะพูดน้อยหรือมากไม่ได้เพราะไม่ไม่มีอะไรให้น้อยให้มากแล้วก็ไม่มีอะไรถูกต้อนในขณะเดียวกันก็ไม่มีอะไรครอบงำเพราะไม่มีสิ่งให้ถูกครอบงำ เห็นไหมไม่เป็นการตอนรากง่าว้ไปเลยประดับขันมันก็จบอะมันไม่มี อ, อะไรไม่มีอะไรที่จะไปสู่พบชาติในโอกาสต่อไปทีนี้ปัญหาว่าโลกามิตรเนี่ยอมิตรคือเหยื่อของโลกเหยื่อในโลกเหยื่อของโลกพวกนี้จะเรียกชื่อชื่อเยอะมาก ภาษาธรรมะเขเรียกว่าอายต น, นะดูแลไม่ค่อยน่ากลัวนะแต่บางทีเรียกว่าเครื่องปลูกของมารบางทีเรียกว่าบ่วงของมารบางทีเรียกว่าภัยบางทีเรียกว่าคลื่นก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าพูดโดยทั่วไปจะเรียกว่ากามคุณแปลว่ากลุ่มหรือวัตถุ เป็นที่ตั้งแห่งความใครความพอใจของก น, ง น, นก็คืออารมณ์โลกโลกกมิตก็คืออารมณ์โลกอารมณ์โลกทั้งหลายเนี่ยที่เราสัมผัสด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ฝั่งจะเห็นว่าเอ๊ะทไมเจอตรงนี้บ่อยมันก็ไม่บ่อยเราก็มีอายตนะภายในภายนอกอย่างเงี้ย เพียงแต่ว่าเรามองในมิติของวิจารารทางโลกเราไม่ค่อยได้ยินในคำเหล่านี้เพราะอะไรเพราะว่าเขามองเป็นเป็นธรรมชาติธรรมดาแต่ถ้าเราสาวให้ถึงที่มาของปัญหาทั้งหลายเนี่ยเราก็จะไปเจอทุกส ม, มุทัยนิโรธมากแล้วโดยเฉพาะเจอเหตุใหญ่ก็คือส ม, มุทัยกับกับมารซึ่งมีการต่อสู้กันอยู่ภายในจิตใจ แต่ว่าใจที่มีสมุทัยเนี่ยสมุทัยที่เป็นอาการดิ้นพล่านของจิตเนี่ยคืออาการของตัณหาธรรมตัณหาในอะไรอ่ะก็ตัณหาในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลพระในธรรมารมณ์อ่ะจเรียกว่ารูปตัณหาสัทธตัณหากันธาตัณหานั่นภาษาบาลเรียกอย่างนั้นทีนี้สมมติว่าใจเราบรรเทาตัณหาลงไปได้ มันมีเรื่องเยอะที่เราไม่อยากลองนับดูเถอะว่าสมมติว่าเรามีเหตุมีผลมีสติปัญญามีระบบการคิดที่เป็นระบบเขาโฆษณากันให้ตายอะเราไม่เคยสนใจข้าวไปห้างซัพพสินค้าเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่เขาเล่าออข่างว่ามันของมันเยอะเราก็จะไม่เกิดสนใจในเรื่องเหล่านั้น ที่นั่นพวกนี้จริงๆมันเป็นโลกาเมตรเป็นเหยื่อของโลกทงนั้นนะมันมีลักษณะเป็นบ่วงเป็นพันธนาการที่ผูกมัดรัดรึงจิตใจของคนเอาไว้ทีนี้ปัญหาตัวเนี้ยที่ที่มันไปอิทธิพลเนี่ยพระใจเรามีกิเลสตใจเราไม่มีกิเลสเราก็ไม่มีอะไรเวลาเนี้ยมีคนไปหาบ่อย ไคยขอพระอะไรอ่ะพระกริ่งปร ะ, ะเดศบามาแม่ไม่รู้เรื่องเลยจริงคือเคยได้ข่าวแต่นั่นเองอแต่ว่าไม่เคยสนใจ<ม>ก็นี่คือแสดงให้เห็นว่า<ม>พระชุดนี้แต่จริงมันสร้างตั้งสามสิบกว่าปีแล้ว<ม>แล้วทาไมมันเกิดดังครุมครามขึ้นมาอย่างนี้ก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนั้นแสดงว่าก็เป็นเหยื่อที่ถูกกระตุ้นให้เกิดอยาก แต่ถ้าเรามองว่าพระพุทธรูปก็คือพระพุทธรูปอ่ะองค์ไหนก็ได้ทา ก, ก็ได้โดยอะไรก็ได้เราใช้เป็นอนุสติให้เหนียวน้อมนำจิตเราให้เราลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้ามีหรือไม่มีไม่ได้แปลกอะไรนะอย่างเราไปโยตัวอย่างไปสารารณะแอบมาไหว้ได้ทุกจุดไม่มีอะไรเลยก็ไหว้ได้ เราก็เชื่อว่าวิชาเคยเดินบนแถวเียแถวแถวนี้เราไม่ได้ไว่าตรงนั้นนะเราไหว้พระคุณของพระพุทธเจ้าเพราะงั้นโลกามิาเรารู้จักมันเราเข้าใจมันมันก็จะไปเข้าตรงจุดเดิมข้างต้นนะ่ะคือเราจะเห็นว่าที่เราคล้องอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายที่เราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายเราต้องพลาดพาสูญเสียที่จริงไอ้สิ่งนี้คือโลกามิท พัน ต, ตัวเราเองก็เป็นโลกมภิษของคนอื่นคนอื่นก็เป็นโลกมิตรของเรานะเป็นลูกเป็นเมียเป็นวงศากนาติเป็นอะไรๆกันต่างๆนี่ก็สรุปมันก็โลกมิตดกันนั่นแหละพันแต่เราต้องการหลุดพ้นมันก็ไปต้องพยายามละโลกมภิตเพึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นธรรมะที่แสดงสองระดับนะฮะปัจจุบันเนี่เป็นฐาน แต่ว่าเทวดาแสดงถึงปาราโลกคือโลกอื่นเป็นการตกแต่งภพชาติและมีความประณีตขึ้นแต่พระพุทธเจ้ามุ่งไปสู่การทำลายภพชาติเลยซึ่งก็ห ม, มายความว่ากระโดดขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเป็นปารมัทประโยชน์เทวดาแสดงรูปของสัมปรายาิริถาประโยชน์คือประโยชน์ในภพหน้าในชาติหน้าพระเจ้าก็ขยับขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งแต่สรุปว่า เส้นทางในการเดินไปการมองในแนวของกายคตาสติหรือสุภาพกรรมฐานคือสรุปว่าแนวกายานุปัสนาสติปัฏฐานนั่นแหละเป็นการพยายามมองพยายามทําความเข้าใจในเรื่องแบบนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสังเกตนะวันก่อนในทางองค์การพอสลอเขาจองตัวเพื่อจะให้ไป ปาตกระถาดำเรื่องโพชงโพชงกสูตว่าก็จะทำเป็นอะไรเป็นซีดีอะไรต่อะไรเผยแพร่ในรูปของการอธิบายขยายความของแต่ละข้อนะก็รู้สึกว่าผลเอกเสรียก็คงเคยทำแจกแล้วก็ก็แพร่หลายอะไรนี้ก็ดีนะแต่ว่าจากการสังเกตว่ามองไปแนวสวดเสียมากกว่านองมองไปนในแนวองค์ธรรม ถ้าเราจะปวงธรรมในพชงให้ได้สักสามข้อแรกนะนะเป็นหลักมีสติมีปัญญามีความเพียรเป็นหลักในการครองชีวิตในวิถีของชาวพุทธมันก็จะเป็นผู้ตื่นตื่นอยู่ดีๆแล้วก็ตื่นอยู่ทุกเมื่อหาประโยชน์ได้ทั้งระดับของบุญที่นำความสุขมาให้ในขณะเดียวกันไอ้บุญเหล่านี้มันก็เป็นบารมีธรรม ที่จะนำเราให้ใกล้ต่อการบรรลุมรควลนิพานขึ้นไปโดยลำดับประสตนนี้จึงเรียกว่าอุปเนยกระสุนคือหมายความมาสู่ที่ว่าด้วยชีวิตซึ่งสูข่ขับเคลื่อนเดินทางนะเดินทางเข้าไปสู่ความแก่ความเก็บความตายการพลัดพรากสูญเสียแต่ทั้งหมดมันเป็นสภาวธรรมที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปจัจจัยทั้งหมด ตกอยู่ในกฎของใจรักณ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นหน้าตาเพราะงั้นไอ้บุญบาปที่จริงมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นหน้าตามันกันนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันสามารถอาศัยได้อาศัยเป็นญาณภาณะเพื่อจะขึ้นฝั่งได้แต่เมื่อถึงฝั่งก็ต้องทิ้งญาณภาณะการปฏิบัติความดีในทางพระพุทธศาสนาก็มีลักษณะอย่างนั้น แต่ของพระพุทธเจ้ามุ่งไปที่ขึ้นถึงฝั่งแต่ว่าเทวดามุ่งไปที่ยานภานะเพื่อจะไปสู่ฝั่งก็แสดงว่าประสุธนี้เป็นการแสดงปัจจัยของกันและกันที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้คนได้สัมผัสผลของความดีทั้งในชาติปัจจุบันชาติต่อไป พบชาติต่อไปแล้วก็อย่างน้อยก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยแห่งมรรคผลนิพพานในนาคตการซึ่งจะนานไม่นานในจริงเราไม่รู้ว่าเรามีต้นทุนเท่าไหร่ปรัญหาสําคัญที่จะต้องรับผิดชอบก็ต้องพยายามให้มากไว้พยายามเจริญสติพยายามเจริญปัญญาพยายามใช้ความเพียรในการเจริญสติปัญญาอยู่เรื่อย แล้วกุศลธรรมในลักษณะอย่างอื่นก็จะเกิดขึ้นเป็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุส น, นให้ได้รับผลในทางพระพุทธศาสนายิ่งยิ่งขึ้นไปนะตามสมบวร์ตามสุขควรแก่กำมังของการประพฤติปฏิบัติทั้งความหลากายเสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไผบูรในธรรมตร้งมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี